บุ๊กทูสิบเกอกอนอิในห้องครัวสวัสดีภรรทสวัสดีภรรทคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะทุสสวัสดีรนวินเฮ ตูเจ้สวยปากเหรอหนุ่มนาเฮก้าวันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะอาสุกายส่ाยปาคุณใช้ไฟฟ้าหรือก๊สทำอาหารตูวิทยุเฉก र ีว์สวัाป कर กั स โตสคีแก๊สเฉก ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะมีกานเด้กับู้กับมีกาด้กูกัดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะมีบัตาเตโซลูกะมีบัตรเตโซลูกะดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะมีเลตุสชิปานดูกะมีเลตุสชิปานดูกะ แก้วน้ำอยู่ที่ไหน glass ขุดเอาหต g ุดเหจานชามอยู่ที่ไหน cut สามัญขุดเอสาุอาหช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหน suri คัเต้ขุดเอาหต suri คัุด คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะทุ่ च จะกันได้ดับบ้าขอลมจะกัได้ดบบ้ลนัจอุปกรเกคุณมีที่เปิดขวดไหมคะทุ่ च จะกันได้บัตลิขอลนั่งจะกาได้บัตลิขลนัจะอุกรเกคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะทุ่ च จะรู ह त ุมจักรได้ก๊อกสกรูอะเหรคุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะุยाบันแดดซุปชิจาอุตสก้าตุยะบันแดดซุปชิจาอุตสก้าคุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะตุยะแพนเ र อร स มาเซต์อุตสกุ้ยะแพนเวอร์มาเซตตสก คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะตู้ย่างกริลเวอร์บ้าจाาบ้าสตอสก้าตูกราตสกดิฉันกำลังตั้งโต๊ะมีเมสลาวโต๊มีเมสลาวเนี่คือมีดซ่อมและช้อน इ ิेธิศุริกาเตอันนี้จำเส इ ิทธิ์สุริेัตย์อันยิ่งชี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก इ थ ेธิ์ाก้วส์ตาต์อันยิ่งรุมาลาหิทธ์อิทธ